ความมืดของวัดตะวนไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศนี่มีมืดมีสว่างผันเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัดตะวันภายในจิตใจของสัตว์โลกค่อยๆไป เป็นความมืด อ, อยู่อย่างนั้นโดยสม่งเสมอใม่ปรากฏว่ามีความสว่างเอาไเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างวฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นมนุณยาสัตว์ที่มาเกิดซึ่งมาเกิดด้วยความมืด อ, อยู่ด้วยความมืด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 เป็นกำเนิด อ, อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จำไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เลยก็ได้เพราะมันจำไม่ได้ถ้าพารู้มันลืมนี่กาพอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเสียอันนี้แต่นีมันจำไม่ได้อเลยมันทั้งติด เราเป็นตัวการแต่แ ล, และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตตัวเดียวก็ดีปลายนัยยบย่ำกันงแต่ปลาาไปลาปาตของตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตาย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 สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้สิรู้ถูกรู้ดีรู้เชั่วเอจ ะ, ะเลยละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตงนแล้วไม่มีความกระริ่นยิ่งขึน้นในการข้างหน้าแม่เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุผูกพวงไป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 ให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่า น, นั้นกับความเจริญก้กาวหน้าขึ้นไปโดยลำหนักด้วยการตักรอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาเหตุโนนอาโผลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่คับขที่คับขันพ่อเขาเป็นพ่อแม่เขาเป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปลุกเปลื้องและอาสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแทๆ้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเห่านี่ยเราก็เป็นเหมือนท่านท่านจึงว่าอัตตาเหตุนนโนนัทโ้องต้องรีบพยายานช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนหช่างตัวงยกดูตั้งแต่บัดนี้เป็นยังไงจะยกพอยกไหวไหม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 จิตตะพวนนาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้เพราะท า, ทาระอันนี้หนักมากค่าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าข้าศึกใดข้าศึกในธาตุในขันธ์ถึงวาละจะไปจริงๆโอ้โหขยเใาแทบเทลือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นใครไปตามๆกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบคอบให้ถึงเสตุเผลแยก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 ที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังยางนั้นแสดงว่าจะก่อความเดื อ, รอดร้อนให้แก่เรามากมาเราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อเขาให้นั่งอยู่สบายาเรล่องของพ่อของแม่ญาติาวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้ น, น, น, น, น, นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจับจากหลักอัตติอัตาหิส น, นาโข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 ควางเรือกปล่อยให้มันไายไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบเบื้อญญตันยากปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอยองอัตตาหิจโนนาโถถ้ายังไม่เข้าใจธรมธรมาัตาหิกโนนะโถนี้ปริณาพิจนาให้ดีนี่เป็นทมขั้นสูงไปเดยลำดับ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 a o no,